ท่านสาธุ 8 ตุลาคม 2533 ตามเดิมเดิมแต่ 2 ตอนนี้ขอพูดถึง แล้วก็มันไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นอาวุธปืนก็ไม่มา ถ้ามันจะเกิดขึ้นบ้างก็อาจจะโปรดมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นอาวุธปืนก็ไม่มาถึงประเทศไทยเครื่องบินก็ เพราะจะเดินมันมาจากใต้น้ําได้ยิงได้ไปถ้าได้ด้าวทางๆว่าๆเป็นจุดเล็กๆเพราะจะโผล่ขึ้นจุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็น โดยความมาสงครามโลกไม่มีเรื่อง การแรกเขาบอกว่าน้ำมันจะเป็น <c oughs> <c oughs> เวลานั้นเราก็ไขน้ํา บรรดาท่านที่ขายนานะครับราคาแพงมากนักคือขายก็ขายเถอะแต่อย่าขายให้มันขายขายได้ไร่ละเป็นล้านนี่ ก็เห็นใจเค้าอาจจะตั้งตัวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ลืมตัวแต่ว่าบางท่านที่ และเมื่อเวลานี้ไม่มีโอกาสจะขายท่านอาจจะเสียดายว่าที่นาของเราไม่ได้ขายเราไม่ เนี่ยเค้ายิ่งลบกันโอกาสที่เค้าจะทํามันก็มีน้อยเค้าต้องใช้เวลาลบกันไม่ใช่ระเบิดจากอากาศแล้ว <c oughs> ถ้าจะถามว่าจะ ถ้ามีไม่มีอันตรายจากภัยระเบิดและภัยโจมตีต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับสมัยมี <c oughs> ก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา <c oughs> และทุกท่านจะปลอดภัยจากสงครามโลกจริงจริงๆโรงงานนั้นๆจะการทําอันตรายต่างๆอย่างสรรพวิบัติจะไม่เกิดขึ้นกับโรงงานนั้นโรงงานนั้นในเมื่อผิดของได้ เรามีเวลาทําเพราะเราไม่ต้องรบเขาต้องสูญต้องเสียเงินเพื่อการรบการรบต้องใช้เงินมากราคาก็ได้ราคาแพงมากเพราะรัฐบาลรัฐบาลเสียก่อนมากขึ้นประเทศก็ โดยพออย่างยิ่งน้ำมันตามต่างๆที่ที่เค้าที่บริษัทเค้าเจาะถ้าบอกว่ามันไม่พอใช้มันก็จะปรากฏขึ้นพอ ถ้ามาเอ่ยคนไทยอย่างที่ฝรั่งใช้หัวเจาะลึกๆหัวเจาะยาวๆเจาะลงไปลึกๆแต่ตามหลักนักวิชาการเค้ามีอยู่อาตมาก็ไม่ได้ค้านตามนั้นนะลองเจาะดู แต่ว่าผิวดินมันจะรู้จะเตือนว่ากันได้อีกแต 6 กิโลเมตรยังสิเจาะอย่างแล้วแค่ 10 บ่อดึงกันวันไม่รู้จักเท่า แล้ว 30 เท่าหรือแล 300 เท่าของเวลานี้สักพันปีมันก็ไม่หมดเพราะมันเป็น <c oughs> รักษาราคา ว่าถ้าบังเอิญสงครามโลกไม่เกิดจะว่ายังไงก็ต้องตอบว่าถ้าสงครามโลกไม่เกิดก็ <ES> wat we hebben het jaar doen, kan ik zeggen, hoe een ling? Een paar, mijn handen hebt, hoe maak je een paar die is je een paar gekart? je een andere ling? Een andere ling? Een andere เราก็เพิ่นจะผ้าเพิ่นเป็นเกิดกับโรงงานโรงงานทําผ้าของเราก็จะหลาย ยังคิดว่าถ้าว่าหมดตัวแล้วเราไม่มีทางจะหาหาที่ดินมาขายได้ใหม่การที่สังฆะเก็บก็ก็เตรียมไว้ <c oughs> ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรควรเพียงเพียงแต่เรายืนยอมรับก็ไม่เป็น แล้วก็สู้กับตัวเราเองนั่นๆนอนมากๆแล้วตื่นไวๆทั้งกําลังตาใช้กําลังร่างกายทําการงานให้ดีให้พูดอย่างนี้ ก็ต้องขอต่อว่าคนไทยคนไทยทุกคนไม่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนแต่ว่าก็มีคนจํานวนมากสมมุติว่าครอบครัวใดยังไม่เคยมีๆประเภทนั้นจะมีเงิน ประเทศครอบครัวนี้มีเงินแสนใช้ต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนมากถ้าประเทศไหนว่าบ้านไหนมีเงินรันใช้ถือว่าเป็นเป็นบ้านที่พอ <c oughs> ศาสนาคริสต์จะสลายตัวแต่ศาสนาอิสลามท่านไม่ได้ <illa> <t ère> อันนี้ด้านเดรัจฉานของศาสนาของเขาก็ <c oughs> ทางพุทธศาสนาถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นจริงๆทางพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชฝ่าย กันแบบฝ่ายปริญญาดรท่านก็อีกฝ่ายนึงทางหากคือท่านเรียนแต่ท่านยังไม่ได้ทําเรียนรู้จะถือว่าไม่ดีไม่ได้ท่านก็ดีท่านมีความรู้ความรู้ในด้านปริญญาดรก็จะเจริญขึ้นความสามารถในด้าน เมื่อนักปฏิบัติที่เป็นเคารวะที่เราก็จะรุ่งเรืองขึ้น <c oughs> เขาก็ขาดขายเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างอย่างที่อาหารการบริโภคเขาก็ขาดเราก็ขายเครื่อง เมื่อหลังสงครามโลกแล้วก็ถูกบังคับ ประเทศก็มีความร่ำรวยประเทศไทยเราก็เช่นนั้นในสมัยเมื่อเคารพกัน เขาไม่ตีมาทางนี้เขาอาจจะตีไปทางยุโรปตีไปทางอเมริกาเขา สงครามก็กวดจะมีเป็นของธรรมดาทั้งนี้ <c oughs> ก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆพระพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยัน ถามว่าเวลานี้จะหาที่ไหนก็ขอตอบว่าเวลานี้จะเพิ่งหาอาจจะ <c oughs> เพราะว่าที่มีความสามารถก็มีมากก็สามารถจะป้องกันได้เพราะว่าจะทําได้ก็พึ่งท่านนั้นท่านต้องให้เป็นที่พึ่งแน่นอนเพราะทั้งนี้เพราะว่าถ้าเราถ้าหากว่าเราทั้งหลายตายกันหมดท่านก็ตายเหมือนกันท่านอดตายเพราะ อย่าสมมุติว่าถ้าพระเป็นตบาดแล้วก็ถวายพระและป้องกัน นบบุคคลที่ต้องตายไปบ้างก็ท่านหมายความว่าบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขนี่เราป้องกันไม่ได้มันมีความจําเป็นคนประเภทนี้เจ็บก็ตาย ประเทศไทยไม่ต้องหนักใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุก ให้มีการสงเคราะห์ซึ่งสร้างความรักหรือว่าจะ การที่ 3 ช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันถ้าเขาเกินวิสัยเราช่วยเขาก็จะเกิดความรักการที่ 4 เราไม่ถือ เมื่อถ้าถามว่าใน และการต่อไปอีก 4 อย่าง <c oughs> ต้องตายตามกาลเวลาแล้วก็วางเฉยในเมื่อมีความดีอีก 10 ประการอย่างนี้แล้วบรรดาพระพุทธบริษัททุกคนจะปลอดภัยอย่าลืมว่าสังหาวธุต 4 เป็นความดีเล็กน้อยความดีขั้นต้นเพราะไม่อย่างนั้น 4 เป็นความดีสูงสุดคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาเมตตาอนโยนถึง เหตุร้ายเกิดขึ้น 5 นาทีก็ 2 อีกสักนิด จะชี้ตัวอย่างเห็นสักอย่างนึง แต่ว่าบังเอิญคืนใหม่ได้มีเครื่องบินมาทั้ง <c oughs> คือเค้าจะถือว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือว่าแววุฒดีนั่นน่ะเป็นสมัยล้าสมัยไปแล้วเครื่องเป็น ไถ่ทอดจากดาวเถียมเราสามารถเห็นภาคได้ใน ให้ทําสมาธิให้ดีขึ้นโดยหวังอย่างเดียวว่าถ้า ในเมื่อปัญญาเกิดก็จะใช้ผลของปัญญาญาณต่างๆที่ได้จากสมาธิและวิปัสสนาญาณมาช่วยบรรดาท่านว่า 1 เราจะบูชาพระทุกวัน นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนหลับตื่นใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นบูชาพระอัญชาพระทะวะอย่างอื่น แทเนตก่อนๆทุกวันบรรดาไทยพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านจะปลอดภัยและสวัสดี